นมัสการพระอาจารย์ค่ะแล้วก็สวัสดีทุกคนนะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณอาจารย์ประพาภัสด้วยค่ะบ้านสร้างเสร็จยังไม่ได้อยู่ก็เปิดบ้านเป็นสถานปฏิบัติธรรมอนุโมทนาด้วยค่ะหละัก อ, อยู่เจ็ดวันนะคะวัน วันแรกเช้ามืดตีสามครึ่งตื่นมาถึงที่นี่ดีใจมากเลยมีโยคะเมเช้าสนุกค่ะแต่หลังจากนั้นนี่ก็หลับตลอดสองวันเต็มทั้งทั้งง่วงทั้งปวดทั้งเมื่อยโมโหโด้วยโมโหง่วงก็ง่วงเมื่อก็เมื่อยค่ะแล้วก็พ อ, อ, อวันที่สามพระอาจารย์บอกว่าให้รู้ให้ชัดชัดรู้ให้ชัดชัดถ้าไม่ชัดก็ออกไปท้าทยมันไปเดินกลางแดด ก็เลยไปเดินกับอาจารย์ขนุนกลางแดดเออชัดดีสนุกดีตอนเย็นก็เริ่มหายปวดหายง่วงค่ะแต่พอวันต่อต่อมาก็ออความความปวดเมื่อยก็ทรงๆค่ะไม่ไม่ขึ้นไม่ลงก็อยู่ไปเลยก็ ก, ก็ก็รู้ไปเรื่อยๆว่าแค่นั้นพระอาจารย์ก็เคยคอยเดินมาบอกว่าชัดชๆๆชั ด, ช ด, ช ด, ชดก็ก็ต้องขอบขอบพระคุณพระอาจารย์ในความเมตตาค่ะเดิน เดินดูทุกคนอยู่ทั้งวันตลอดค่ะแล้วก็คอยเดินมาบอกให้ดูให้ชัดๆก็พอพอเข้าไปดูชัดๆแล้วเมื่อเมื่อวานค่ะเข้าไปดูชัดๆที่ที่ปวดปวดตึงตึงตอนแรกก็เห็นเห็นพอพอเดินก้าวเดินมันก็จะหายไปจําจําได้ว่าพระอาจารย์บอกให้ดูให้ชัดๆก็เลยเข้าไปดูพอดูพอเข้าไปจับจับตรงจุดที่มันเมื่อยๆเนี่ยค่ะมันก็จะมันก็จะฟุ๊ หายไปแล้วพอเผลอเดินไปไปรู้ที่เดินเท้าเดินมันก็จะกลับมาก็เลยกลับไปดูมันใหม่จริงๆริงจังๆมันก็จะค่อยๆจางลงจางลงจางลงค่ะแล้วกเ็เรื่อง เ, อเรื่องง่วงค่ะพอพอง่วงก็ค่อยๆตามดูมั น, นก็จะเห็นว่าพอเราสติอ่อนเผลอสติไปเนี่ยใจมันจะเริ่มไปคิดพอเริ่มคิดมันก็จะเริ่ม เริ่มง่วงเริ่มเริ่มเริ่มออไม่ชัดนะคะเริ่มเริ่มเบลอแล้วก็เริ่มง่วงแล้วขนาดยกมืออยู่เนี่ยมือก็จะเริ่มหนักมือขยับไม่ค่อยได้ทำไมมือหนักขนาดนี้แล้วก็หลับไปเลย <laughs> <laughs> เข้าไปดูง่วงให้ชัดๆน่ะเหรอคะยังยังไม่ได้อะค่ะก็พอพอเริ่มง่วงก็จ ะ, ะเปลี่ยนท่าดีกว่า <laughs> <laughs> เข้าไปจับมันก็กระโดนมันจับหลับเลยค่ะ <laughs> คำว่าดูชัดๆมันไม่ได้หมายถึงว่าเข้าไปดูอย่างนั้นนะคือดูด้วยวิธีต่างๆการที่รู้สึกง่วงรสสลัดให้มันตื่นนั่นก็เรียกว่าดูให้ชัดละความชัดเนี่ยหมายคว่าอาการที่มันมีอยู่มันมันชัดมันสลายคําว่าชัดเนี่ยนะเหมือนกับเราสมัยก่อนเวลาเราใช้ตะเกียงเจ้าพายุเราใช้น้ํามันใช่ไหมพอใช้ไปสักพักมันจะมันจะค่อยฟอลงใช่ไหม เราก็สูบอ่ะสูบตะเกียงอีกทีนึ่พอตะเกียงพอลมันมากขึ้นใช่ไหมแสงก็ชัดอ่ะพรนครชัดหนก็เพิ่มแรงลงไปอ่ะไม่ใช่ไปนั่งดูอะไรก็ดูอย่างเดียวไม่ใช่ดูอย่างนั้นนะหมายความว่าเพิ่มเพิ่มแสงสว่างอาการมันอาจจะสมมุติว่าเราเบลอเนี่ยมันไม่สว่างแล้วใช่ไหมเราทําไงก็สว่างอ า, าจจะาาว si ิ่งก็ได้เดินจากแดดก็ได้หรือเดินถอยหลังก็ได้ให้อาการเหล่านั้นมันมันชัดขึ้น อาการความเบลอลงหลง ม, มันสว่างออกไปนี่คือเรื่อว่าชัดแต่ไม่ได้ไปดูจ้องดูให้ชัดไม่ใช่อย่างนั้นน ะ, ะคือไม่ใช่ดูความง่วงแต่ดูอาการที่มันเริ่มซึมลงแบบนั้นทำงนไงก็ <ๆ S 2> ได้ให้มันมันภาวะนั้นออกเพราะฉะนั้นเดีนี้สําคัญเข้าใจนะฮะเข้าใจเข้ามาชัดนะค่ะเข้าใจแล้วค <Okay S 2> ่ะเพรฉะนั้นต่อไปเอาไปแก้ปัญหาเนี่ยเพราะคำว่ารู้ชัดเนี่ยเป็นชื่อของปัญญา ทำให้ปรากฏชัดเวลาเราสวดนะปัญญาเยาท่าี่ทนะําฉนนการทำพิสูจน์แห่งกองทุกทั้งสิน้นจะพึงปรากฏชัดเป็นชื่อของปัญญาเพราะฉะนั้นในช่วงที่อะไรก็ตามมาเบ่อเบื่หลงโมโมสัวเนี่ยทำให้มันชัดขึ้นปัญญามันเกิดละคือจิต ม, มันจะสบาย